สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบนำมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เชิญพรค่ะอยากให้พระอาจารย์พูด เ, เชิญชวนสำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามอยากจะถามเข้ามามีช่องทางยังไงบ้างคะนี่ก็ครั้งที่ที่สามแล้วเจ้าค่ะครั้งที่สามนี่ก็คราวนี้นี่ เป็นเรื่องงามยามดีเรื่องงามยามดีที่เรามีคนที่มาเขียนคําถามทิ้งไว้ในหน้าเพจของ facebook ค่ะหน้าเพจของ facebook ก็คือ E ีซีธรรมะโดยที่ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนเนี่ยยังไม่เคยหรื อ, อยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะหน้าเพจของ E ีซีธรรมะเนี่ยตรองไงยังไงก็มันหายากนะคะพระอาจารย์ก็ชื่อมันค่อนข้างจะ คนใช้เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเจาะจงนิดหนึง่งโดยที่อี s y ่ธรรมะเนี่ยเราก็จะสะกดโดยที่เราจะขึ้นต้นด้วยตั ว, ตวอีตัวให ญ, ใหญ่ที่เหลือจะเป็นตัวเล็กหมดแล้วก็ติดกันโดยที่สะกดว่า D S Y D H A M M A แล้วก็อย่าลืมว่าติดกันนะทุกตัวเจ้าค่ะทีนี้พอเปิดมาก็จะเจ อ, อโลโก้ของหน้าเพจเนี่ยเป็นรูปพระ แล้วก็นั่งไต้ต้นไม้แต่ถ้าสังเกตที่ตัวตัวโพสหรือตัวข้อความเนี่ยก็จะมีโลโก้ของรายการธรรมะสบายๆยอยู่พอทุกคนเห็นตัวโลโก้ตัวเนี้ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นรายการธรรมะสบายๆโดยที่ด้านล่างของโลโก้เนี่ยก็จะบอกตอนเอาไว้ด้วยว่าตอนที่เท่าไหร่อย่างตอนที่เรากาลังสันทนานกันอยู่ตอนเนี้ยก็เป็นตอนที่สแล้ว เจ้าค่ะก็อยากให้เชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะบอกๆ ก, กันต่อจริงๆแล้วเราสามารถปฏิบัติทำได้ในชีวิตประจําวันที่เราใช้ชีวิตกันตามปกตินั่นเองเราถึงได้ใช้ชื่อว่าธรรมะสบายๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะว่าธรรมะมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละธรรมะถ้าเราปฏิบัติธรรมะไปแล้วเนี่ยแล้วเราใช้ในเราใช้ชีวิตประจําวันแบบที่ยังมีทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าธรรมะก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเรา ว่าจุดประสงค์ของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเจ้าก็ให้วัตถุประสงค์ไว้ว่าเพื่อความดับไม่เหลือของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วเราเข้าวัดเราไปปฏิบัติธรรมแล้วก็สบายใจอันนั้นก็ดีไปแต่ถ้าเรากลับมาแล้วมาสู่โลกของการทํางานสู่โลกของการที่เรา อ, อยู่ในครอบครัวแล้วยังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่เนี่ยก็ มันยังต้องมีอะไรผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะที่เราไปรับมาไปฟังมาไปหัดปฏิบัติมาเนี่ยยังต้องเรียกว่าต้องฝึกให้มากต้องเอาไปใช้ให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ในโลกของชีวิตประจำวันเราเนี่ยเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่มีทุกข์ใจได้อีกนะนั่นคือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ า, อามอบเอาไว้ให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมส่วนวันนี้นี่ แล้วก็มีคําถามเนาะใช่ค่ะมีคุณมณีเนธนะคะฝากคําถามมาบอกว่าสมมุติว่านิมนพระมาฉันพระทหารที่บ้านเนี่ยท่านก็นําบาทมาด้วยเพื่อที่จะใช้ในการฉันพรตทหารถามว่าเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงในฐานะของเจ้ า, จาบ้านเนี่ยต้องการที่จะล้างทําความสะอาดบาทพระทําได้ไหมก็หมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยจับต้องบาทได้หรือไม่เจ้าค่ะออันนี้ก็ เกี่ยวเนื่องกับตอนและตอนหนึ่งกับตอนที่2ด้วยนะเพราะว่าเราพูดถึงวิธีการเกี่ยวกับพิธีของบุญพิธีใช่จ้ะค่ะบุญพิธีบุญพิธีเนี่ยก็เริ่มมาจากการที่ว่าพระเจ้าก็ตรัสไปว่ามีบุญที่เราจะทำได้เนี่ยแบบด้วยกันก็คือการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาทีนี้โบราณอาจารย์ท่านก็เลยให้อุบายไว้ว่า เวลาเราให้ทานก็ดีเนี่ยเราก็ให้รักษาเศียนไปด้วยได้มีการ เ, าเจริญภาวนาไปด้วยเพื่อที่จะครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทั้งสามอันให้มันพร้อมกันไปเลยทีเดียวทีนี้ในส่วนของบุญพิธีเนี่ยก็ต้องกล่าวเกล่อนไปสักนิดหนึ่งว่าปกติเวลาเราเข้าวัดหรือว่านิมนต์พระมาฉันที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นในเมืองอันนี้ย้ำก่อนว่าย้าก่อนว่าในเมืองนะ ภาพปกติที่เราจะเห็นกันโดยทั่วไปก็คือว่ า, าสมมนิมนพระมาฉันที่บ้านก็จะพระก็จะมานั่งก้ารูปแล้วก็เราก็จะต้องมีการอาราธนาศีลเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็พออาราธนาศีลเสร็จก็มาอาราธนาพระประรพระปรริษก็คือการที่นิมนให้หมู่ภิกษุหรือหมู่พระสงฆ์เนี่ยสาธยายบทพุทธธํารัตน์หรือพุทธวจนะ ทีเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนเอาไว้เอามาสาจธรรมให้ฟังซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็จะได้ทั้งในส่วนของสมาธิที่ถ้าเราตั้งใจฟังจิตเราก็เป็นสมาธิแล้วถ้ามันเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจคําแปลทีนี้เราก็ลองไปศึกษาดูคําแปลเป็นยังไงเราก็จะพอรู้นะอ๋อท่านเริ่มในบทตัวนี้นะท่านสวดถึงตรงนี้นะแล้วในบทตรงนี้แปลว่าอะไรแล้วก็ ไข้ค ร, ครวญพิจารณาไถ่ตรองไปเราก็จะได้ทั้งสมาธิาได้ทั้งความเข้าใจคือปัญญานี่แหละเพื่อที่จะพอเข้าใจเอาไปปฏิบัติใช้แล้วก็เกิดผลก็คือว่าใจเราปล่อยวางได้ค่ะความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเนี่ยเราก็จะขจัดขัดเกลามันออกไปได้พอเราอรัธนาพระปริตแล้วเนี่ยท่านก็จะสวดแล้วก็ฟังไปแล้วพอถึงท่านต่อสุดท้ายคือการให้ทานก็คือเราก็ถวายพระตาหารนี่แหละ แต่โดยมากเนี่ยในเมืองเราก็จะเห็นว่าพระก็ไม่ได้ฉันในบาทหรอกเพราะฉะนั้นที่คุณมณีเนี่ยถามเนี่ยก็คงจะหมายถึงว่าอาจจะนิมนต์ครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดหรือไม่เราก็ไปเห็นเราก็ไปทําบุญที่วัดต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทางต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็จะนิยมฉันในบาทกันฉันในบาทที่ดีนะดียังไงเจ้าคะ ก็หนึ่งเนี่ยโดยเอาโดยรวมๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งล้างจานมากนะก็คือล้างบาทใบเดียวใช่แล้วลองคิดดูเนี่ยถ้าเรามีกับข้าวสิบอย่างก็1ิบจานนะแล้วก็มีพระ10บรูป9รูปก็อีกคนละใบอ่าบางคนมีน้ำแกงกอ็อีกคนละถ้วยโอ้ถ้วยชามันมากนะพลุงพลังมากเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นการฉันในบาทมันก็หนึ่งมันก็ลด ลดปริมาณการใช้จานชามไปได้นะมันก็สะดวกดีแล้วก็เป็นวิธีทางที่ทำให้พระเนี่ยท่านได้พิจาราของท่านด้วยหมยายความว่าเราไม่ต้องม า, าแยกใส่จานเล็กจานน้อยมีอะไรแล้วก็ตักๆตัตตใส่ลงไปในบาทเพราะฉะนั้นถ้ามันมากๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้หรอกว่าจะเอากับข้าวอันนี้นะไปอยู่มุมนี้ไปเอาอ า, อาหารต้องไปกับข้าวนี้เราชอบมากเรา เลี่ยงๆไว้อีกอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมากๆมันก็มันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องปนกันนะนะเจ้าค่ะมันก็จะกินแบบว่าไม่ได้รสชาติอย่างที่พึงพอใจตามตเรื่องของสายตาที่เราดูเพราะว่าถ้ามันถ้ามันรวมกันเยอะมันก็ดูไม่น่าทานนะคะใช่แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยอย่างถ้าเป็นวัดบางวัดเนี่ยท่านใช้การตักแจกอาหารนะคือ ไม่ใช่ให้ว่าให้พระเนี่ยตักเลือกของตนเองแต่ใช้ในลักษณะว่าเอามีพระผู้ที่ทําหน้าที่แจกอาหารเนี่ยตักใส่เลยทุกบาททุกใบเพราะฉะนั้นต่างคนต่างตักๆักตตใส่ที่นี้ก็ไม่บาทเราเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ได้แล้วเขาจะตักอะไรให้มากให้น้อยคือเรามีหน้าที่คือพิจารณาแล้วก็ฉันไปเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่เรากินเพื่อที่จะให้ ชีวิตเนี่ยมันดำรงไปได้เพื่อปฏิบัติสมรรธรรมให้ได้ให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นเพราะนั้นการที่เราเลือกกินหรือว่ายังติดในรสชาติอาหารอยู่เนี่ยกิเลสมันก็เฟื่องฟูขึ้นมานะเจ้าค่ะก็มีความยึดติดในรสแล้วถ้าวันไหนเราได้กินในแบบที่เราไม่ถูกใจเราก็มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเราอยากในรสชาติแบบนี้เราก็ไม่ได้ เราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอุบายที่ทำให้เราได้พิจารณาว่ารสชาติอาหารนะมันก็มีโทษนะทำให้มีทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปยึดมั่นไม่ถือมั่นมันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรากินของอร่อยไม่ได้นะเจ้าค่ะคือเรากินได้แต่เวลาเรากินอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเรามันเราก็จะได้เขาเรียกว่าได้ มีสติเตือนว่าอ ย, อย่าไปติดมันมากคือมีกินกินอร่อยก็ดีแต่ก็ไม่ติดคือกินได้แต่อย่าไปยึดติดใช่กับรสชาติหรือว่าหน้าตาที่สวยงามของอาหารแบบนั้นใช่แล้วบางนคนเนี่ยเคยสมมุติว่าอาเคยไปกินเป็ดปักกิ่งมาแล้ ว, ก, มมวก็ชอบมากชอบมากทีนี้เกิดอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีเงินเดือนลดไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอยากกินเป็ดขึ้นมาม้างเป็ดปักกิ่งมากแล้วมันก็เป็นทุกเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง ไปแสวงหาไปทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปได้กินเป็ดปักกิ่งแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งมันก็เพิ่มความทุกข์กับเพราะว่ามันติดในรถนะ น, นะทีนี้ถ้าเราไม่ติดคือเราอยากกินแล้วเราก็ไม่ไหลไปตามความอยากเราได้เราก็ไม่ก่อทุกข์ขึ้นมาว่าเราจะต้องไปดิ้นรนหรือไปเป็นหนี้เพื่อที่จะให้ได้ริมรถในอย่างที่อยากเป็นต้นนะเจ้าค่ะทีนี้การที่ อย่างเราไปแต่จังหวัดเนี่ยพระท่านก็จะฉันในบาทเจ้ค่ะหรือเวลาครูบาอาจารย์ท่านมาลงกรุงเทพเนี่ยท่านก็จะฉันในบาทเหมือนกันก็จะมีคําถามว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะยังข้อวัดปฏิบัติของท่านแบบต่างจังหวัดเลยแหละท่านก็จะตักอาหารใส่บาทเวลาลูกศิษย์คนในกรุงเทพเห็นเนี่ยก็คือพอท่านฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์หมายถึงลูกศิษย์ที่เป็นพระนะเจ้ค่ะไปล้างบาทให้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราก็เห็นว่าโอ้ท่านก็ล้างบาทหลายใบยนะแล้วก็เกิดอยากจะช่วยบ้างอะไรเงี้ยใช่เจ้าค่ะลูกศิษย์ที่เป็นคารวาร่าที่เป็นอุบาสิกาก็อยากจะอยากจะอยากจะช่วยทําให้แต่ก็ก็กลัวๆเพราะว่าไม่มั่นใจตัวโยมเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเราสามารถที่จะโดนบาดได้ไหมหรือว่ามันผิดพระวินัยหรือเปล่าหรือว่ามันเหมาะสมไหมหลายๆประการเจ้าค่ะคือถ้าบอกว่าโดนบาดได้ไหมเนี่ยภาพมันเหมือนบาดเป็นมันเป็น คืออะไรประหลาดอันนี้ไม<ะ>่อ<ะ>ก็บาทเหมือนพระสมมติว่าเราก็ไม่ควรโดนตัวพระเราก็ต้องเลี่ยงเราก็ต้องหลบบาทก็ก็คงจะเหมือนพระอย่างนี้มั้งเจ้าค่ะก็ไม่เชิงหรอกจริงๆว่าอาบาทมันมันก็เหมือนเครื่องใช้ไม้สอยอะ่ะอย่างเราเข้าวัดแล้วก็ต้องจับเครื่องใช้ไม้สอยในวัดนะใช่เพราะฉะนั้นก็จั บ, จบได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าอา่อย่างนี้เอาเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนด้วยเรื่อง เทพทิดาข้าวตอถ้าคนไหนเนี่ยเรียนบาลีหลักสูตรบาลีที่พระเรียนกันนะหรือไม่เราก็ไปหาอ่านได้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันก็จะมีเรื่องเทพทิดาข้าวตอเรื่องของเรื่องก็คือว่าพระมหากษัตริยเนี่ยจังก็เข้านิโรธสมาบัตินะคนที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยคนทําบุญด้วยก็จะได้บุญมากหมายความว่า พอท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยท่านก็เลงยานเอาไว้ว่าเอ๊เราจะไปบินธบาตตรงไหนดีเพราะว่าเวลาท่านไปเด็กเรนหาที่ปฏิบัติสมณธรรมเนี่ยท่านก็จะไม่เลือกที่คนพุงพลานมากเพฉะนั้นก็จะอัตคัดเรื่องการบริโภคบ้างเพราะฉะนั้นท่านจึงเลงยานดูว่าเอ๊ตรงไหนนะท่านจะไปบิณธบาติดีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไปบินธบาติแล้วเขาจะใส่บาตรเราไหม ก็ก็จะเห็นผู้หญิงนางหนึ่งเข้ามาในนิมิตแล้วก็พิจารณาว่าอ๋อนีนะนางคนนี้เนี่ยเขาจะใส่หราอไม่นะสุดท้ายกา็ได้ความรู้เกิดขึ้นมาว่านางคนเนี้ยเขาก็จะใส่บาทและเขาก็จะได้บุญมากเพราะฉะนั้นเราจึงไปส่งเคราะห์เขาดีกว่าก็อุ้มบาทไปทีนี้นางนี้ก็ทำงานอยู่ตรงเขียงนานะทำงาน ไปแล้วก็พอเห็นพระมหากัสจ ป, ปเดิมิถาบาทมาเนี่ ย, ยก็มีจิตเลื่อมใสามากมีจิตเลื่อมใสมากก็นิมนต์มารับบาตรก็มีข้าวตอกยมแอ่เจ้าค่ะข้าวตอกเป็นไงล่ะที่มันแห้งๆแงลว้วเหรอเจ้าคะประมาณนั้นแหละสีเขียวๆที่เขาเอาคงลักษณะคล้ายๆ ข, ข้าวองอ น, นะคิดว่างั้นนะประมาณนั้นมั้งเจ้าค่ะนั่นแหละก็เลยใส่บาตรด้วยข้าวตอกไปอนะ แล้วเกลี่ยลงไปในในบาทท่านก็รับบาทเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับด้วยความปิติอิ่มใจของนางคนเนี้ก็ทํางานไปเพลิดเพลินเลยด้วยความอิ่มใจว่าเราได้ให้ทานเราได้ทําบุญนะอย่างเงี้ยพระมหากรปะเนี่ยก็เดินกลับกลับลตามคันนาเนี่ยมันก็จะมีรูที่มันจะมีงูบ้างอะไรบ้างเนี่ย อ, อ, อยู่แถวนั้นแหละทีนี้แบบจีวรพระเนี่ยนะมันก็จะ โปรงๆหน่อยทีนี้งูมันก็ฉกอนะจะกัดทีนี้มันก็ติดจีวรอ่ะมันก็จะมันก็โปรงอ่ะนะที่มันจะมันก็กระเดงออกไปใช่ตัวที่ว่ามันไม่ได้ติดกับเนื้อเพราะฉะนั้นมันกัดมันก็โดนพาแล้วมันก็สลัดหลุดไปทีนี้ผู้หญิงดังนั้นเนี่ยเขาก็เดินทางนั้นเหมือนกันทํางานเสร็จแล้วกําลังเดินทางกลับพอดีก็กลับมาทางนั้นแหละก็โดนงูฉกเหมือนกันแต่พอดีพอดีว่า โชคเนี่ยโดนเข้าที่นัาแข่งบดีเลยแล้วก็เป็นนั้นว่าพิษเนี่ยมันก็ทำร้ายให้ถึงแก่ความตายแต่ในขณะที่ว่าถึงความตายนะจิตก็ยังมีความยินดีเบิกบานในกับการใส่บาตรเมื่อสักครู่ใช่มีความยินดีในทานที่ได้ให้ไปเมื่ อ, อกี้เนี่ยยังยังมีความยินดีอยู่ในใจมากเลยสุดท้ายพอตายไปปุ๊บด้วยจิตลักษณะนั้นเนี่ยก็ไปเกิดเป็นนางเทศทธิดา แล้วก็พอตัวเองไปบังเกิดเสร็จเป็นเทพิดาเนี่ยก็เอ้เรามาอยู่ในสวรรค์ไมมาเนี่ยดีมากเลยนะมีทิพยาสมบัติเยอะแยะมากมายเลยแล้วอะไรนาะเป็นเหตุให้เรามาได้สมบัติเห็นมากมายป่านนี้ก็เลยไข้ครวนไปก็ได้เห็นว่าอ๋อเพราะบุญที่เราใส่เข้าตอกไปเมื่อตะกี้นี่เองไม่ได้ของอะไรมากมายเลยเป็นของที่เรามีอยู่แท้ก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมาย ยังได้มาเกิดเป็นเทวดายังได้มาเห็นที่ปยสมบัติปานนี้เนี่ยโอ้โหก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยเราจะต้องกลับไปทำบุญกับพระมหาัสปะอีกเพื่อที่จะทำให้เป็นสมบัติเนี่ยท่านใช้คาว่าเป็นสมบัติมั่นคงหมายความว่าสมบัติที่มันมีเนี่ยมันก็จะไม่หมดไปแล้วมันที่มีเนี่ยก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนเรามีเราได้ไรายได้นะ เรารู้ว่าตรงไหนทําายได้มากเนี่ยเราก็พยายามจะไปาหาไรายได้ตรงนั้นพยายามไม่ให้ทรัพย์ของเราที่มีเนี่ยลดน้อยถอยลงทําให้มันจเจริญขึ้นพอเขาเห็นว่าพระมหากษัตริยเนี่ยทําบุญแล้วแล้วเขาก็ได้บุ<ด>มากได้ขนาดนี้ใช่เขาก็ก็อยากจะทําอีกอทีนี้เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเขาก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไปอุปถักพระมหากษัตริยดีกว่าก็เวลาที่พระมหากษัตริยเนี่ยท่านก็อยู่ในถ้ำนะ ในถ้ำทีนี้เวลาท่านไม่อยู่ในถ้าเนี่ยนางเทพธิดาเนี่ยราชาเทพธิดาเนี่ยก็ไปทําความสะอาดนะะคะก็ลงมากวาดพื้นให้ตั้งน้ําฉันน้ําใช้ให้อะไรเงี้ยจนเรียบร้อยเลยพระมากระส ป, ปะกลับมาก็โอหวันนี้ ท, ทําไมถ้ำเราที่อยู่เราสะอาดเรียบร้อยดีจังก็คิดว่าอ้โวันนี้พวกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็คงจะขยันขันแข็งกันดี มาวันที่สองก็เป็นเหมือนเดิมอีกก็เลยยังเอจใจอยู่ว่าเออสะอาดดีเนาะก็ยังเข้าใจว่าเป็นภิกษุกับสามเณรเนี่ยมาช่วยกันทำความสะอาดพอวันที่สามแต่วันนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็นางเทพิดามาเนี่ยกวาดแต่ข้างนอกก่อนกวาดพื้นข้างนอกก็ได้ยินเสียงแก๊ก้แกล้แกล้ง แ, แ, แล้วก็มีแสงรอดเข้ามาในในถ้ำท่านก็เลย ไปดูแล้วก็เลยถามว่ า, าเธอเป็นใครล่ะมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วานางราชาเทพ ธ, ธดาเนี่ยก็บอกว่าที่ฉันเนี่ยก็เป็นเทพ ธ, ธิดาเนี่ยมาทำทำอุปถากท่านเนี่ยหวังจะได้บุญไงนนะแล้วก็ท่านก็เลยถามว่าแล้วเธอมาสองวันเนี้ยเธอมาทําที่ถ้าของเราใช่ไหมทําความสะอาดตั้งน้าฉันน้าใช้ใช่ไหมอะไรเงี้ย นางเทพติดาก็บอกว่าใช่เจ้าค่าที่ฉันมาทําให้อะไรเงี้ยพระหากระสปะ ก, ก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องมาทําแล้วล่ะนะนางเทพติดาก็แบบเตื้อนะเพราะว่าเห็นว่าโอหมาทนะํานั้นเราก็อยากได้บุญนะอะไรเี้ก็ยังเตื้อว่าจะขอทําอยู่อะไรเงี้ยก็เลยว่าทีนี้ก็เลยโดนดุไปนะพระมหากบสบะ ก, ก็ดุไปดุไปแก็สี อ, สออกเสียใจบินขึ้นไปแล้วก็ร้องโหยพร้องไห้นะพระเจ้า ก, ก็ได้ยินเสียงพอดี ก็เลยแผ่รัศมีมาแล้วก็มาตัดบอกกับนางเทวิดาถามาทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะอะไรเงี้ยอ๋อเล่าข้ามไปนิดหนึ่งนะงค่ะตอนที่พระมหากรสปะเนี่ยทำไมถึงว่าไม่ให้หนางเทธิดาเนี่ย อ, อุปถากตต่อเขาเพราะว่าเหตุผลที่ท่า น, านให้ก็คือท่านบอกว่าถ้าเธอเนี่ยมาอุปถากเราอยู่เนี่ย มันก็จะเป็นที่ครหานินท า, าพระหนุ่มเนนน้อยที่ อ, อยู่เนี่ยเขาก็จะติฉินนินทาได้ว่าพระมหาคัศ ป, ปะนะมีนางเทพธิดาเนี่ยมาคอยรับใช้คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่งามะระหว่างที่ปฏิบัติเป็นอยู่ในสมณะเพศอยู่เนี่ยก็จะมีผู้หญิงหรื อ, อเพศหญิงเนี่ย มาคอยอุปถัมป์อยู่ใกล้ชิดคอยปัดกวาดเช็ดถูนู่นนี่นั่นในที่อยู่เนี่ยมันก็จะดูไม่งามเขาเรียก ว, ว่าโลกเขาก็จะติดเตียนได้ถึงแม้มันจะไม่มีข้อผิดวินัยก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียก ว, ว่าชาว บ, บ้านติดเตียนแม้ในหมู่ของภิกษุเนี่ยใครเห็นเขาก็อาจจะติดเตียนได้ท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอก็ไม่ต้องมาละละ่ะทีนี้พอยัางดื้อดึงอยู่ก็เลยดุไปหน่อยหนึ่งด้วยความเสียออกเสียใจก็ร้องไห้ กลับขึ้นไปบนวิมานพระเจ้าก็เลยถามว่ า, าแล้วทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระเจ้าก็บอกก็ถูกแล้วลูกของเราเนี่ยทำถูกแล้วท่านใช้คำว่าลูกนะหมายความว่าคนที่ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านใช้คำว่ามามะปุตโตก็คือเป็นบุตรของเร า, นะเาทาถูกแล้วก็คือไม่มีใครผิดหรอกเธอหวังบุญเธอมาทาบุญก็ถูกแล้ว ก็ถูกของเธอแตอ่พระหมหาคัสจปะเนี่ยก็ต้องอวางตัวให้มันเหมาะสมกับการที่เป็นสมณะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถูกทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่อยากได้บุญแต่ทีนี้มันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาอุปถากกับพระหมหาคัสจปะอย่างเดียวถึงจะได้บุญเพราะฉะนั้นเธอก็ไปเลี่ยงหาวิธีทําบุญอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มาวกตอบคาถามของคุณมณีเนธว่ า, าถามว่าถูกบาทพระได้ไหมมันก็ถูกได้นั่นแหละแต่ทีนี้ก็ ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเทียบเคียงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะอ่าถ้าใครเห็นอยู่บ่อยๆป่ะถ้าครั้งสงครั้งเนี่ยเพีอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเขาเห็นเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะติดเตียนได้เป็นต้นก็คือถามว่าไม่ผิดพระวินยัยไม่ผิดหรอกแต่ว่าถามว่าเหมาะสมไหมแล้วก็ โรคติดเตียนได้ไหมก็คงใช่ใชก็คงจะไม่เหมาะถ้าเป็นครั้งคราวก็คงน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในบางกรณีใ ช, ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นประจําทุกวันก็ไม่น่าจะเหมาะสมใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ชายเนี่ยเลี้ยงให้ผู้ชายเนี่ยมันก็จะดีมากเพราะว่าเป็นภาพที่เราคุ้นตากันอยู่อ่คือผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยมันไปไหนไมาไหนมันก็จะไม่มีใครติดเตียนอยู่แล้วเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยจึงค่อนข้างที่ ถ้าเป็นพระเนี่ยก็จะดีมากเลยเพราะว่าใช้ง่ายใช้คล่องไม่มีใครบน่นไม่มีใครว่าอย่างนี้นะเจ้าค่ะแต่โยมก็มีคําถามเหมือนกันว่าสถิติของการทําบุญเนี่ยผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงชอบทําบุญอยากได้บุญมากกว่าเพศชายนะเจ้าคะ่ะคนที่เข้าวัดเป็นประจําหรือว่าที่เราเห็นคนที่ไปตักบาตรเป็นประจําหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ หลายๆรูปก็ตามยมก็จะเห็นเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่มันก็มันก็มีปัญหาอีกที่เราผิดแล้วหรือเจ้าคะที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราก็จะทำอะไรไม่ได้มีข้อจำกัดมากมายมันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่ า, ามันจะมีประสูนย์หนึ่งเนี่ยท่านพูดไว้ว่าเสียงเนี่ยสำหรับผู้ชายนะเสียงที่มันเป็นเสียงแบบยั่วยวนเย้าวยวนใจ เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาที่สุดข อ, ของของผู้ชายเนี่ยคือเสียงผู้หญิงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยห้าอย่างเลยก็คือผู้หญิงเนี่ยก็เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาสําหรับผู้ชายส่วนผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นของผู้ชายเนี่ยก็เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนายินดีสําหรับผู้หญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดานะพอเราดูตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ชายก็วิ่งไปหาผู้หญิง ผู้หญิงก็วิ่งแบบผู้ชายอันนี้อันนี้เอาเอาแบบธรรมดาก่อนนะยังไม่นึกถึงคนเข้าวัดนะเจค่ะเพราะฉะนั้นทําไมผู้ชายถึงไม่ค่อยเข้าวัดมันก็เป็นธรรมดามีผู้หญิงตรงไหนเขาก็วิ่งไปตรงนั้นแหละอ่า๋อในวัดมีแต่พระมันเป็นอย่างนั้นแหละผู้ชายก็เลยไม่ค่อยเข้าวัดนั่นเองคือโดยความธรรมดาของจิตเนี่ยมันมีความเพลิดเพลินมีความยินดีตรงไหนเนี่ยใจมันก็ไปทางนั้นพอใจมันไปตรงนั้นมือไม้ ร่างกายมันก็ไปหมดเพราะฉะนั้นในวัดเนี่ยมันมีนมแต่เป็นพระนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้หญิงเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นผู้ชายก็วิ่งไปหาผู้หญิงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้ชายจะเข้าวัดเนี่ยมันก็น้อยกว่าผู้หญิงน้อยมากแน่อ<จ>นอนโดยปกตินะถ้าอย่างนั้นถ้าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกายอย่างเงี้ยก็ก็คงจะต้อง อ, อุปถัมครูบาอาจาร หรือว่าไปไปทำบุญตักบาทหรือว่าไปทำบุญพิธีอะไรที่วัดก็ตามก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำบุญอีกเหมือนกันนะเจ้าคะอ่าก็ต้องดูความเหมาะสมอ่ะเพราะว่าเราทำบุญแล้วก็หวังได้บุญเหมือนกันแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยเนี่ยก็คืออ่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากได้บุญเราก็ต้องรักษาครูบาอาจารย์ของเราไว้ด้วยใช่เจ้าคะ่ะท่านก็จะได้อยู่ให้เราได้ทาบุญอยู่เรื่อยๆนะทีนี้อ่า เราพูดถึงการทําบุญเนี่ยเราเรื่องตัวอย่างเมื่อกี้ก็จะได้เห็นด้วยว่าการทําบุญแล้ได้บุญมากเนี่ยมันก็เป็นยังไงหมายความว่าถ้าเรามองดูอย่างนางราชเทศธิดาเนี่ยเขาทําบุญนะก่อนทําบุญเขาก็มีใจที่อิ่มเอมมีความายินดีที่จะให้ยินดีที่จะสละของนะก่อนตายเนี่ย หลังหลังจากให้ทานไปแล้วก่อนตายหรือว่าในระหว่างหลังที่จากกานให้ทานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความยินดีอยู่อันนี้ส่งตรงนี้เลยทําให้ไปเกิดเป็นเป็นทเนทวดาเพราะฉะนั้นคือทําบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคีหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าจิตของเราไม่อยากให้แล้วก็ทําบุญไปหรือทําบุญไปแล้วแล้วก็มีความเสียออกเสียใจออกมา เพราะนั้นบุญที่ได้มันก็จะน้อยเจ้าค่ะคุณมณีเนตรยังมีอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะเรื่องเรื่องบาทแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพเหมือนกันก็คื อ, อผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะซักจีวรผ้านุ่งของพระได้หรือไม่อาจจะอยู่ในฐานะของอเป็นโยมอุปถาเมื่อเมื่อครูบาอาจารย์หรือว่าพระรูปนั้นเนี่ยอาพาธแล้วสามารถไปซักจีวรผ้านุ่ง ปฏิบัติดูแลประมาณนี้จะได้ไหมเจ้าคะ่ะคือคิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านคงไม่สิ้นไรไม้ตอกขนาดไม่มีลูกศิษย์ผู้ชายนะเจ้าค่ะคิดว่าอย่างนั้นถึงไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายก็จริงเนี่ยอผู้เจ้าเนี่ยก็ปรับอบัตนะสําหรับคนที่พระที่มีอยู่ด้วยด้วยกันแล้วและมีพัพป่วยแล้วเราไม่ไปอุปถากต์เลยนะออืก็ปรับอบัตด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของ ภิกษุที่จะต้องดูแลเส้นกันและกันมากกว่าทีนี้ถามว่าอแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไปมันเกิดสถานการณ์นี่เราจะต้องไปซักจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยบอกว่ามันก็ผิดพรวินัยเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือท่านกั่ท่านท่านใช้คําว่าภิกษุณีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีภิกษุณีแล้วล่ะเค่ะทีนี้เราก็เอามาประยุกต์ใช้เนี่ยก็ควรจะก็หมายถึงว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ด้วยเพราะว่าถ้าภิกษุณีไม่ได้เนี่ย ก็คือผู้หญิงก็ไม่ควรจะได้เหมือนกันเจ้าค่ะมีมีคำถามเจ้าค่ะคือเนื่องจาก เ, าเพื่อนเพื่อนของโยมเนี่ยคุณพ่อเขาบวชเป็นพระในกรณีที่อาพาธหนักช่วงนั้นอาพาธหนักแล้วลูกเนี่ยก็เป็นลูกสาวลูกเป็นลูกสาวก็ถามว่าโลกโลกติเตียนไหมก็มีก็มีมีเสียงมาให้ได้ยินว่าไปไปดูแลเช่น ไปไปเอาอยู่เอายาไปให้ที่กุฏิซึ่งก็ไม่เคยไปหรือว่าไปเป็นประจำแต่ว่าในช่วงที่ท่านอาพาธหนักที่ยังไมเ่เหมือนกับรอคิวโรงพยาบาลอยู่ต้องเข้ามาในโรงพยาบาลรัฐซึ่งอยู่ในกรุงเทพและท่านอยู่ต่างจังหวัดนี่นะเจ้าคะ่ะลูกๆ ก, ก, ก็ไปดูที่จังหวัดเพชบรบุรีลูกๆก็ไปดูแลเตรียมอยู่เตรียมยาเอาอาหารไปถวายอะไรเงี้ยก็ชาวบ้านแถวนั้นก็ติเตียนเหมือนกัน ต, ตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจว่าเป็นรูปจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้จริงมันเป็นหน้าที่ของหมู่พระด้วยกันน่ะที่จะต้องดูแลนะแต่ถ้าเป็นญาติเนี่ยมันก็แน่นอนว่าอามันก็มีความผูกพันแต่ทีนี้มันก็จะมีในส่วนของพระวิ น, ยนัยอ่ะต่างๆบ้างอนะเจ้าค่ะแต่ในทางกลับกันนะถ้าแม่ป่วยพ่อป่วยเนี่ยท่าน อ, าอนุญาตเต็มที่เลยนะ อย่างสมมติแม่เราป่วยเนี่ยแล้วไม่มีคนดูแลไม่มีคนอุปถัมภ์เนี่ยเราไปเช็ดตัวอับนองอับน้ําให้เนี่ยไม่ผิดพาะวินัยนะเจ้าค่ะอ่าเราทําได้เันที่เลยอะไรอย่างกรณีที่หลวงพ่อเป็นพระและลูกเป็นคารวาแต่เป็นผู้หญิงอันนี้ถ้าไม่ได้อนุญาตไวอ้อคืออนุญาตว่าถ้าแม่ป่วยเนี่ยยกเว้นได้ให้ดูแลได้เต็มที่กรณียกเว้นอย่างเดียวที่พระ ที่แม่ป่วยแล้วไม่มีคนดูแลกราสามารถไปดูแลได้ใช่แม้แต่กระทั่งอาหารที่บินบาดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราบินบาดมาเรายังไม่ได้ฉันเนี่ยเอาไปให้คนอื่นก่อนเนี่ยท่านปรับอบัตนะคือเป็นไม่ถูกต้องเจ้าหาต้องฉันก่อนใช่ ถ, ถึงว่ า, านี่ก้นบาดนะอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้ายังไม่ได้ฉันเธอเอาไปนะอย่างนี้ท่านปรับอบัตอยู่ที่ยกเว้นเอาไปให้พ่อแม่นะ อ๋อ oh, ถ้าให้พ่อกับแม่ก็ไม่อาบัตใช่บิณาบาตมาให้พ่อกับแม่เนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยไม่อาบัตเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็มันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วยกั น, นที่จะต้องดูแลกันเองเพราะว่ามันก็จะมีอย่างในขั้นพุตธการเนี่ยก็คือมีพระป่วยองค์หนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีใครดูแลพระเจ้าเนี่ยก็ลงไปเลยดูแลเอง ก้มน้ำให้อาบนวดเฟ้นอะไรอย่างดีแล้วก็เรียกภิกษุเนี่ยมารวมตัวกันก็กล่าวว่านี่ถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันเองเนี่ยแล้วใครจะดูแลพวกเธอล่ะแล้วก็เลยบัญญัติว่าถ้ า, ามีพระป่วยเนี่ยแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคนมาอุปถัมภ์เนี่ยก็ปรับอบัติเป็นทุกข์กดเอาไว้นั่นแหละก็คือพระถ้าเกิดว่าไม่ดูแลกันเองพระที่อยู่ด้วยด้วยแต่ไม่ดูแลกันก็ ก็ต้องปรับอาบัตเหกันใช่มันมันคอมมอนเซนต์นะคือเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วถ้าเราป่วยแล้วคนในครอบครัวไม่ดูแลกันเองอะ่ะมันก็ผิดกันอยู่แล้วนะ<ช>เพราะนั้น<ะ>การบวชมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็คือครอบครัวนะแต่ครอบครัวในแบบที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องในแบบธรรมวินัยนะเพราะนั้นมันเหมือนเป็นครอบครัวกันกันแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ดูแลกันเองเนี่ยถือว่าเป็นคนไม่ดีอเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะด้วยจะค่ะงั้นโยมขออนุญาตสรุปนิดนึงเรื่องที่คุณมณีเน่ถามมาข้อหนึ่งและข้อสองเรื่องการล้างบาทก็ขอทําได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงนนได้ก็ควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมเจ้าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอสมมติเราไปฉันที่บ้านนะคือถ้าถามว่าไม่ล้างบาทเลยได้ไหยจะดีมาก ดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆท่านก็มีวิธีเลี่ยงของท่านอยู่นะอย่างเช่นท่านเวลาไปฉันเนี่ยแล้วไม่มีผู้ชายเลยท่านก็ปิดบาดซะแล้วก็กลับมาลังที่วัดก็ได้ใช่จ้ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ, อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ ค, คือว่าคนล้างบาทไม่เป็นนะบาทมันกระเทาะนะก็จะพังเสียหายใช่คือบาทเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นบาทเหล็กซักใบหนึ่งนะมันผ่านขั้นตอนคือว่าต้องเอาเหล็กมาเป็นชิ้นชิ้น แล้วก็ไปเชื่อมไปเชื่อมเสร็จเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กมันก็จะเป็นสนิมถ้ามันโดนน้ำก็จะต้องเอาไปเผาไฟไปเผาไฟมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นผงคาร์บอนที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไปเคลือบไปเคลือบตัวเหล็กด้านนอกทำให้มันเหมือนเขาเรียกอะว่าเหมือนเรามีผงนิลสอผงนิลสอมันจะไม่ติดเขาเรียกว่ามันจะไม่เป็นสนิมแน่นอนเลยล่ะ นิสสอนี่มันจะเป็นผงนิสสอนักลักษณะเป็นกราไฟอย่างเงี้แหละไปเคลือบอยู่ผิวด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้บาดเม็นสนิมวิธีการขั้นตอนมันค่อนข้างแบบใช้เวลาเผาเนี่ยเป็นสิบชั่วโมงเลยนะเจ้าค่ะก็จะได้บาดเผาลูกหนึ่งเนี่ยนั้นมากเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเผาเสร็จสิบชั่วโมงนี้จะได้นะบางครั้งก็แตกบางครั้งก็ไม่ได้ออืเพราะฉะนั้นบาดจึงเป็นอะไรที่ต้องรักษาอย่างดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปล้างแล้วคนแบบว่าเกิดไปกระเทาะแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ หมายถึงว่าไอ้ผิวด้านนอกเนี่ยมันล่อนออกมาโอ้โหนี่เรื่องยาวเลยต้องเอาไปเผาใหม่ต้องไปเตียมฟืนมาอีกสิบชั่วโมงเผากันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆบาทเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ใครใครที่ไม่ไม่ไม่ไม ถ, นนถ้าไม่เคยบวชถนะ <c oughs> ้าไม่เคยบวชมาก่อนนะเจ้าค่ะไม่เคยบวชมาก่อนหรือไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นคนอัเป็นิสายที่เรียบร้อยระมัดระวังไมเนี่ย ก็ไม่อยากให้หล้างให้นะเจ้ค่ะถ้าอย่างนั้นโยมผู้หญิงที่อยากได้บุญด้วยการทำแบบนี้หรือว่าจะดูแลอุปถาคุบาจารนด้วยการล้างบาทก็หลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าเพื่อหนึง่ง <1 S 1> เนี่ยเราก็ป้องกันว่าท่านก็จะไม่โดนติดฉินลินทาได้เจ้าค่ะแล้วก็เรื่องของการซักจีวรผ้านุ่งอย่าเลยอย่าเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ แค่ภาพมันก็ดูไม่ดีแล้วเจ้าค่ะแล้วอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพยาบาลที่เป็นผู้หญิงล่ะในในโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสงหรือว่าในในโรงพยาบาลต่างๆที่เราเห็นเนี่ยพยาบาลที่พระอาพาธมากๆพยาบาลที่เป็นผู้หญิงก็สามารถเช็ดตัวได้เออโดยปกติแล้วเนี่ยไม่รู้นะที่เราเห็นเนี่ยอย่างตึกวชิระยานก็ดีที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเจ้าค่ะเขาก็เป็นบุตรพยาบาลนะอืซึ่งจริงๆ อถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็จะหาบริษัทพยาบาลในดีที่สุดเลยหรือไม่เราก็มีลูกสิทธิ์ของเราเนี่ยอ่าถึงเวลาเช็ดตัวแล้วก็ให้เขามาเช็ดตัวให้อะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยมันจะไม่ผิดเพี้ยนเลยนะแล้วแล้วการที่เราอรุ่มอรวยมากๆเนี่ยรุ่มอรวยอรุ่มอรวยไปมากๆมากๆมากๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นผลที่มันเกิดขึ้นยขึ้นที่จิตใจเรานะอย่างเช่น ย้อนกลับไปตรงที่ว่าไม่มีเสียงใดเนี่ยต้องใจชายโดนใจชายได้เท่ากับเสียงหญิงไม่มีสัมผัสสัมผัสใดที่จะโดนใจชายต้องใจชายเท่ากับสัมผัสของหญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงไว้เนี่ยหนึ่งก็เป็นการรักษาจิตของพระด้วยมไม่งั้นถ้าเราอารุ่มอร่อยอยู่บ่อยๆเวลาที่เขามาถูกต้องถูกเราก็เขาเรียกว่า ราคาจิตมันก็จะเจริญขึ้นได้มันเป็นไปเพื่ออทําทให้ถ้าเราไม่เท่าทันเนี่ยกิเลสมันก็จะเฟื่องฟูได้เพราะกิเลสตัวนี้เฟื่องฟูเนี่ยมันทําให้โอ้โหผิดแบบเป็นอาบัติหนักเลยแหละเจค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเราทําให้ให้พระเกิดเกิดอาการแบบนั้นเนี่ยเราก็บาปด้วยนะเจ้าค่ะถึงแม้จะไม่มีเจตนาก็ตามมัน คือบาปไม่บาปมันขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยน ะ, ะนนถ้าเรามีเจตนาเรายินดีในผัสสะตัว น, นั้นเนี่ยสําหรับพระก็เป็นบาปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่เป็นบาปหรอกแต่เราจะไปรู้ว่ารจิตไขได้ว่าเขามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นเราก็ตัดจะแตะต้นทางซะระวั ง, งได้ด่าเจ้าค่ะให้ก็ใช้ผู้ชายดีกว่าส่วนในโรงพยาบาลเนี่ยการที่เขาจะซักจีวรหรือผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ย เท่าที่เห็นเีนี้มันเป็นลักษณะเป็นอุตสาหกรรมนั้นละ่ะก็คือว่าวมีมเครื่องไม่ได้ซักมือเพราะฉะนั้นเขาเอาไปยนโยนใส่เครื่องแล้วเข้าไปตากเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการที่มันจะเหมือนสมัยก่อนมันจะมะีมันจะมีเรื่องอยู่ในสมัยคลังพุทธกาลเนี่ยก็คือตอนนี้ท่านยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยเนี่ยก็ไปใช้ภิกษุณีเนี่ยซักจีวรซักผ้านุ่งต่างๆพวกนี้นะ แล้วก็พอดีพอดีไปเกิดความกําหนัตยังไงเกิดขึ้นก็นไม่ทราบแหละก็เห็นว่าอ๋อตรงสบงของพระเนี่ย ม, มีน้ํากามติดอยู่นะแล้วก็เลยนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องบรรดาขึ้นมาเกิดขึ้นว่าโอนาำพิษุณีนี้นะ เ, ออเกิดท้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าออให้มีข้อตรงนี้ว่าห้ามพิสุณีเนี่ยซักพระนุ่งหรือซักจีบอลของพระ เกิดขึ้นพราะนั้นแต่ในระบบสมัยใหม่นี้มันก็คื อ, อมันน่าจะารุ่มรวยได้พอบ้างเพราะว่าเราก็จับโยลงเครื่องจับงลงเครื่องอย่างนั้นนะแต่ถามว่าถ้ า, าในกระบวนการที่มันเป็นผู้ชายทํามันก็จะสบายใจมากขึ้นนะใช่เจ้าค่ะก็ยังคือแม้ว่าจะเป็นพุทธบัญญตัติหรือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นานแล้วก็ตามแต่ว่า ยมก็ยังรู้สึกว่าการรักษาพระวินัยแบบเดิมๆไว้ทั้งหมดถ้าเราในสังคมปัจจุบันถ้ายังสามารถทําได้ก็ก็ควรจะให้คงอยู่ไว้นะเจ้าค่ะคือมันก็มีพผู้อนุ ญ, ญาตว่าถ้าเล็กๆน้อยๆเธอจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อนุญาตแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีหนึ่งมันก็จะมีเจ้าค่ะต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างของนิกายเถราวาดของเราเนี่ย เราก็จะนิยมคือคงคําคงพระวินัยรักษาพระวินัยแบบที่ครั้นปฏิยระก็คื อ, อพระมหากัสปะเป็นประธานคือทําการสังคญยนาครั้งแรกเลยก็คือยึดตามเอาครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ตัดทอนที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ได้เพิ่มเติมที่พระเจ้ า, าตรัดอะไรไว้ขออนุ ญ, ญาตก็ดีเข้าบังคับก็ดีก็ยังคงเอาไว้ทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นเราก็เลยยึดถือตรงนั้น เราเลยมีชื่อนิการว่าเถระวาดเจ้าค่ะก็คือทำตามคำของพระเถระนะเจ้าค่ะก็ย่งโยมผู้หญิงที่อยากทำบุญก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังทั้งทั้งในจิตของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของการกระทำที่ดูว่าโลกจะติเตียนได้หรือเปล่าน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเราก็ยังมีทางที่จะ ทําบุญสแสวงบุญหรือว่าอยากได้บุญเราก็ยังสามารถมีช่องทางหลายช่องทางที่ทำได้ใช่ใช่บางข้อก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าอย่างนี้โยมก็เข้าใจแล้วว่าเพื่อนเราที่มีคุณพ่อเป็นเป็นพระในตอนนั้นที่หลวงพ่ออาภาษหนักๆ ก, ก, ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลและในที่สุดท่านก็มรณภาพนะเจ้าคะก็ แต่เขาตัวตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเล็กๆน้อยๆที่ได้ทําเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยในช่วงท้ายของชีวิตของพ่ อ, อเราเราก็ได้ปฏิบัติดูแลแต่ถ้าถามว่าเหมาะไหมก็ก็ทราบแล้วว่าคงจะไม่เหมาะอืมคือบวชแล้วเนี่ยเขาใช้คําว่าอนาคาริกนะคือผู้ไม่มีเรือนเจ้าค่ะ งนก็ต้องไม่ไม่มีใครละก็คือต้องคงจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าในในสังคมปัจจุบันจริงๆอ่ะโยมก็เชื่อว่าหลายหลายวัดที่มีพระอาพาธก็โดนแบบคือท่านก็คงไม่ได้คิดเรื่องว่าติดอาบัตหรือเปล่าแต่ว่าก็คงไม่ได้ดูแลกันแบบพี่แบบน้องอย่างที่พร <c oughs> ะอาจารย์ก็สักครูนะเจ้าคะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องพยายามะนะ <c oughs> คือคือตัวเนี้ยมันมันก็มาจาก จากใจนั่นแหละเวลาเราบทเข้ามาแล้วเราหัดปฏิบัติธรรมะแล้วใจเราก็จะมีความเมตตามีความกรุณาเกิดขึ้นในใจเห็นใครที่ขัดสนเดือดร้อนอป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีจิตที่มันเราเราก็เอื้อเฟื้อกันนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ในหมู่ของคนที่ปฏิบัติทำด้วยกันเนี่ยแน่นอนความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเจริญขึ้นในหมู่ของคน ที่ปรเจ้าค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำถามนะคะท่านผู้ฟังท่านใดถ้าฟังรายการแล้วอยากจะฝากคำถามได้ก็ฝากได้ที่เพจอิซี่ธรรมะเจ้าค่ะวันนี้ก็คงจะเท่านี้แหละดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยยมแอเนี่ถูบ้านเองมะถูบ้านถูเองเจ้าค่ะถูเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องถูบ้านกัน เป็นยังไงก็ติดตามได้ในครั้งหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติพิชาโตและดิฉันผู้ร่วมดำเนินรายการอารยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพร